ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงสามครั้งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์สินปานาติปาตาเว ร, รมเนสิขาประทังสมาธิยามิพระพุทธเจ้าทว่าอย่าฆ่ากันอย่าฆ่าสัตว์ในเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สานายาิของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขา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 สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสังวนห่วงแหนของเขาของเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้ต่างคนก็ต่างมีลูกหลานวงศ์สาขานายาิเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสีนข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณียาไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุนลกโกหกเราเราก็เสียใจ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 พรนั้นให้พวกเราสังเกตนะจะเป็นใครก็ตามถ้าพูดก็ล่อนไปก็ล่อนมาไม่อยู่ก็ร่องรอยโกหกไปเลยเนะนี่ยคนคนนั้นนะ่ะจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะนั้นขอให้พวกเราสังเกตอันนี้คือสีลข้อที่4ข้อที่5สุราเมรยะมัชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบีย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 ก็รู้สึกว่าได้รับความต้อนรับทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าพวกเรารู้จักหลายหลายคนรู้จักมักคุ้นคนหนึ่งติดต่อทางหนึ่งคนหนึ่งประสานไปทางหนึ่งคนหนึ่งก็รู้ผลในสุดก็มาหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรัรบกันงานทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น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 เหมือนกับเพชรในหินเลยทนรักษาลูกชายของท่านาท่านยังไงก็อยากจะให้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเพราะนั้นพระจิตถทธธ ะ, ะเจ ด, ดไปณนะสถานที่ใดจึงมีแต่ของสีวิไลของสวยงามให้สิตถทธธะได้เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจะไม่ให้เห็นเห็นแต่ของสวยของงามาในเมืองจากนั้นพออายุของพระองค์ของสิตถทธธะอายุถึง29ิปี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 ได้รู้เห็นเป็นครั้งแรกจากนั้นก็เห็นคนแก่และก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายและก็เห็นสัมมะเห็นสัมมะคือนักบวชแต่ไปเห็นเมื่อไปเห็นสัมมะท่านกบอกเออสัมมนานี่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้วุ่นวายกับใครนั่งอยู่โครนต้นไม้ตามลาพังถ้าเราได้เป็นสัมมะอย่างนี้เราจะไข่ควรทบทวนสิ่งเรื่องกล่าวต่างๆคงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้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 นั่งอยู่ตามลำพังลำพังที่โคลนต้นไม้เนี่ยเราคงทําได้คงจะหาหนทางได้นี่แหละอันนี้จากนั้นพระองค์ก็เลยเด็ดจะด็จหนีออกไปบวชนี้ในกลางคืนนั่นเลยนะเอ่อไปบวชที่แม่น้ํำมโนมาณาทีอยู่ในฝั่งแมน่ม น, มน้ำแม่น้ำมโนผาณมาณฑาีทดลองอยู่ผิดทดลองถูกถึงหกปีเอ่อหกทดลองการ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 ได้เวลาแล้วก็มาตัดจีวอเพราะตอนกันต่างคนต่างเย็บผู้เป็นเจ้าของจีวอลคือพระอานี้ก็อเออเราควรจะไปบอกพี่สาวจัดอาหารเพนมาเลี้ยงยครูบาอาจารย์ที่ทาตัดผ้าจีวออยู่ในขณะนี้เขาก็ไปบอกพี่สาวพี่สาวก็เตรียมอาหารมาถวายพระสงฆ์ก่อนเพนนะ อ, อาหารก่อนเที่ยงพระสงฆ์ทั้งหลายก็จัด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 พระสงฆ์ทั้งหลายในกลุ่มในคณะนะก็จัดการไปเผาพอเผาเสร็จแล้วก็นำบริขารของพระองค์นั้นน่ยคือบริขารคือเป็นสมบัติของพระองค์นั้น อ, องค์ไหนก็ต า, ตามที่ตายไปแล้วน่ยต้องเอาสมบัติมากรองไว้ก่อนมีบาทมีจีวรมีสายประคบเอวมีสังฆาตาิมีอะไรเออมากองไว้จากนั้นก็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 วันนี้พวกเราจะได้แจกอัิบริขานเออเอาเพื่อความเป็นธรรมให้องค์ที่เออมาที่อุปถัมภะท่านนั่นแหละรักเลือกกรององนี้พอประกาศได้เลยเลนตัวอยู่ในผ้าจีบอลถึงมันจะเป็นเล่นก็เถอะแต่ดวงวิญญาณมันใหญ่เออเหมือนแก่ใหญ่เหมือนดวงวิญญาณของพวกเรา เ, เออมันก็วิ่งอยู่ในผ้าจีวอบอกโอ้พระ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 กาพระสก่อนอรหังสาวารขาโตสุปฏิปโ น, โนกนมโมตัดสาพุทธทางธรรมาังสังขังสุดแท้แต่เราจะสวดอะไรได้สีฮะชินะบัรชรเนี่ยเราจะสวดอะไรก็ได้พอสวเดเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาอรหังสกิตโตโหมินิทพ โ, โหมิหรือเราจะแผ่เมตตาด้วยภาษาใจของเราก็ได้ข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข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 ชีวิตของข้าถึงจะนั่งในรถไปก็เถิดชีวิตมันไม่รู้ว่าจะพลิกคว่ำมเมื่อไหร่ตายได้ทุกเวลานะเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะ เ, ะเพราะฉะนั้นเราควรจะภาวนาเราก็นั่งหลับตาเลย บ, บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรียกว่าบริกรรมบอกพุทธานภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขารุภาเวนะด้วยพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองในการเดินทางของข้าพเจ้า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 ดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเธิน